เมื่อวานนี้เราก็ได้กล่าวถึงศีลห้าอย่างนะศี่หมวดห้าแล้วสิหมวดห้าที่กล่าวไปเมื่อวานก็คือในหน้าแรกของปฏิสัมพินธมรดคนะคือในหน้าแรกของเอกสารที่ที่พิมพ์มาให้วันนี้นะในหน้าแรกก็กล่าวไปที่ที่อธิบายไปเมื่อวานที่กล่าวถึงปริยันตะปาริสุทธิศีนอริยันตะปาริสุทธิศีนปริปุณะปาริสุทธิศีน อปปามัถะปาริสุทธีศีลและก็ปฏิปัสสัท ธ, ธิปาริสุธีสินเห็นไหมปริยันตะปาลิสุทธีศีลก็คือศีลของอนุปสัสมบัณมีสัมมาเนสัมมเนรีเป็นต้นนั่นเองผู้มีศิกขาบทเป็นที่สุดรอบส่วนอปริยันตะปาริสุทธีศีลก็คือศีลของอุปปัสมบันมคือของพระภิกษุเนี่ยนะผู้มีสิกขาบทอันไม่มีที่สุดรอบ ส่วนปริปุณนะปาริสุทธีสีลก็คือศีลของกาลยาณปุตุชนผู้ประกอบในกุศลธรรมผู้บำเพ็ญธรรมะซึ่งเป็นที่สุดของพระเสข่าให้บริบูรณ์ผู้ไม่อาลัยในกายและชีวิตผู้สละชีวิตแล้วนีคือผู้ที่เจริญวิปัสสนามุ่งว่าจะเอาบรรลุวันนี้เลยนะผู้ที่เพ่งพยายามในลักษณะนั้นแหละเป็นปริปุณนะปาริสุทธีสีล ส่วนอ布拉มะทะปาริสุทธีศีลก็คือศีลของพระเสขเจ็ดจำพวกแล้วปฏิปสัสสติ ป, ปาริสุทีศีลก็คือศีลของพระขีนาศกผู้เป็นสาวกของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายเห็นไหมคือสาวกที่เป็นพระทหา์ไม่ใช่องค์เดียวใช่ไหมก็เลยใช้คําว่าทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่าศีลของพระประเจคุทธเจ้าศีลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างนี้ก็ชื่อว่าปฏิปสัสสธิปาริสุทิสีนและก็สีนที่มีที่สุดกับไม่มีที่สุดอันนี้เราก็เรียนแล้วในหมวดสงังสปริยันตศีลกับอปริยันตศีนเนี่ยนะปริยันตศีนกับอัปริยันตสีลสีลมีที่สุดกับสีนที่ไม่มีที่สุดเรียนแล้วเมื่อสมัยทุกกะเพราะฉะนั้นทานสบายมากคือเนื้หาก็พออ่านได้แล้ว เพราะว่าจัดเรียงพิมพ์ว่าน่าจะอา่านไม่ยากครัอ่านยากก็ตรงนี้แหละเรามาก็สงสารตัวเองเหมือนกันนะในหน้าหกนี้ก็คือข้อความที่บอกว่าเห็นจะยกข้อความในวิสุทธิมรรคที่ยกมานะแถวๆนี้นี่ไม่อธิบายเพราะว่าไปอธิบายข้างหลังแล้วเนื้อหาจะเหมือนกันเห็นอย่างในหน้าหกล่าวถึงว่าอะไรเป็นศีลใช่ไหม ที่ยกข้อความในวิสุทธิมรรคที่เราเรียนกันน่ะนะว่าอะไรเป็นศีลคือเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลความสํารวมเป็นศีลและความไม่ร่วงละเมิดเป็นศีลเห็นไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะของอะไรชื่อว่าศีลนะข้อความที่ตอบว่าอะไรชื่อว่าศีลเนี่ยนะเป็นข้อความที่ยกไปกล่าวไปแสดงตามปฏิสัมพิธามรรค แต่ถ้าหากว่าของเราที่เรียนศีและมา ย, ยาญาณนะไปเรียนที่หน้าหน้า10บเลยเนี่ยนะเพราะจะได้เชื่อมต่อจากวิสุทธิมรรคครั้งก่อนๆในหน้า10เป็นต้นไปเนี่ยนะก็คือข้อความที่คัดลอกวิสุทธิมรรคเนี่ยคัดลอกไปจากปฏิสัมพิธามรรคแต่ทีนี้เพื่อสะดวกแก่การอธิบายของมาก็เลยจัดเรียงตามปฏิสัมพิธามรรคเนี่ยนะเพื่อให้เห็นภาพโครงสร้างได้กว้างขวางที่สุดเลย ยกปานาติบาตอย่างเดียวเนี่ยจนถึงละกิเลสได้เลยนะละปานาติบาตอย่างเดียวนยอะอัพเภทละกิเลสได้เลยในหน้าสินะจะได้เชื่อมต่อจากครั้งที่แล้วศีห้าหมัวแรกคือศีห้าหมัวแรกเลยนะสีห้าสีห้าเรียกว่าปัญจกะนะไม่ใช่สีห้คือปานาติบาตนะสีห้าคือปัญจกะปัญจกะข้อหนึ่งก็คือปริยัมตะปริสุที่ศีล์ สอปริยันต์ปาริสุทธีสีน์สาปริปุณะปาริสุทีศีล์สี่อภรามัฏฐะปาริสุทีสีน์แล้วก็5ปฏิปัสสธิปาริสุทธีศีลทีนี้ปัญจกะหมวดที่สองเนี่ยนะปัญจกะในหน้าสินี้กล่าวถึงปหานะก็เป็นศีลเวรมณีก็เป็นศีลเจตนาเป็นศีลสังวรเป็นศีลอวีติกรมะก็เป็นศีลศีลห้าประเภทคือปะหานะ ละปานาติบาตเป็นศีลเราเคยบอกเออเว้นจากปานาติบาตใช่ไหมแต่เอาธรรมะห้าอย่างใส่ลงไปในปาเปาณาติบาตอย่างเดียวปาณาติบาตนี้แปลว่าการทําชีวิตศาสตร์ให้ตกล่วงทีนี้แอบปรหานะคือตัวที่ละปานาติบาตนะนะสภาวะธรรมที่ละปาณาติบาตเวรมณีคือเว้นจากปาณาติบาต นะเวระมณีนี้แปลว่าการเวน้นเจตนาเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์หรือเป็นข่าศึกต่อปานาติบาสังวรคือความสำรวมนะความปิดกั้นทาวารที่เข้าไปแห่งปานาติบาสอันนี้ชื่อก็เป็นศียรแล้วก็อวีติกมะการไม่ล่วงละเมิดปานาติบาสก็เป็นศีรเนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวศีรเหมือนกันคือปหานะเวระมณีเจตนาสังวร อ, อวีติกมะ ในปาณาติบาตแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นศีลอนนะันั้นคําว่าปะหานะปะหานะคือการละปานาติบาตคือเวไม่ฆ่าสัตว์นั่นเองตรงนี้การละปานาติบาตก็เป็นศีลความว่าปานาติบาตถูกละได้ด้วยกุศลจิตตุ บ, บาทอันมีหิริโอต ป, ปะกรุณาอะโลพาเป็นต้นเป็นประธานนี น, นนะ คือท่านไม้เอากุศลธรรมที่ที่เป็นตัวไปละปานาติบาตนะองค์ธรรมได้แก่อะไรคําว่าปหานะองค์ธรรมได้แก่กุศลจิตตุบาทนะเอากุศลจิตเลยนะกุศลจิตที่มีหิริมีโอต ป, ปะมีกรุณามีอะโลภะเป็นต้นเป็นประธานอันนี้คําว่าปหานะนะเรียกว่าเออปหานะแล้วสภาวะของปหานะคืออะไรเอาใหม่เอาใหม่มปหานะองธรรมได้แก่อะไร คือตัวกุศลจิตตุบาทที่มีหิริโอต ป, ปะกรุณาอะโลภเป็นต้นเป็นประธานเนี่ยชื่อว่าปหานะงี้ยนะอันนี้คือตัวการละนะเขบอกว่าคําว่าปหานะการละหรือเครื่องละปาณาติบาตเนี่ยนะองค์ธรรมเหล่านี้คือกุศลจิตตุบาหิริโอต ป, ปะกรุณาอะโลภเป็นต้นเนี่ยนะเป็นปะหานะ เขาเหล่านี้เป็นศีลใช่ไหมสภาวะธรรมเหล่านี้เป็นศีลชื่อว่าศีลเพราะอัฐว่าอัฐว่าอะไรศีลศีลนี้อัฐว่าไงนะศีลเพราะอัฐว่าศีลละนะศีลละนะเนี่ยนะชื่อว่าศีลเพราะอัฐว่าศีลละนะคําว่าศีลละนะคือสมาทานนางกับอุปธารนางสมาทานนางหมายคําว่า ตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยนะซึ่งกายวาจาไม่ล่วงละเมิดอุปทารณนังคือรองรั บ, นะรรบหรือเข้าไปทรงไว้หรือไปรองรับซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเหล่านี้เนี่ยนะที่ทำให้ละปานาติบาตเป็นสีรนะณะคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงวนะ่อันนี้คำว่าปะหานะจบน ะ, ะานานต่อไปว่าเวรมณีเลยนะ เวรามณีศิก้าประทังสมมธิยามีสมาทานศีลกันบ่อยนะนั่นแหละเวรามณีการเว้นจากปานาติบาตก็เป็นศีลนะอันนี้ชัดเจนใช่ไหมองค์ทมได้แก่วีรติ อ, นนอ่ะอานะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหมสี่สิบเจ็ดข้อน่นะปานาติบาตนับหนึ่งไหมว่าเดี๋ยวพูดหมดเดี๋ยวตกใจ เอาข้อแรกก่อนปานาติบาตก่อนนี่ไคือให้รู้ว่าถ้ารู้จริงเกี่ยวกับเรื่องปานาติบาตก็พ้นทุกได้แบบนั้นเด้อเวรมณีก็คือวีระตีสาที่ทําให้เกิดการเว้นจากปานาติบาตวีระตีเหล่านี้ก็เป็นศีลเพราะอาธิบาว่าศีละนะศีละนะศีลเนะีะนะ่ยจำไม่เลยศีลคือศีละนะเพราะว่ารองรับกุศลธรรมชั้นสูงกับนะความตั้งตั้งไว้ด้วยชอบนี่ไง ต่อไปเ จ, เจตนาเจตนาเจตนาที่เป็นค่าศึกต่อปานาติบาตเป็นศีลอันนี้เป็นเจตนาศีลเลยชัดเจนเลยนะอันนี้ได้แก่เจตนาศีลเจตนาที่เป็นปฏิปักษ์ปฏิปักษ์นะแปลาว่าแปลาาออกว่าเป็นค่าศึกต่อปานาติบาตเป็นศีลสังวรสังวรความสํารวมปานาติบาตก็เป็นศีลนะ คำว่าสังวรหรือสัมรวมในที่นี้ก็ได้แก่ความปิดกั้นใช่ไหมความสัมรวมการห้ามการปิดกั้นมันเหมือนกับประตูเป็นต้น น, นะแต่ทีนี้ดีก า, าท่านอธิบายว่าความปิดกั้นทวารที่เข้าไปแห่งปานาติบาตัาเข้าไปปิดทวารที่มันทําให้ล่วงปานาติบัตออกไปลักษณะนี้ชื่อว่าสังวรคําว่าสังวรเนี่นะอย่าง ลองลองเปิดดูในหน้าเจ็นะคะคว่าสังวรในหน้าเจ็ดนะศ <c oughs> ีนนี่เป็นที่รวมแห่งธรรมะอะไรในข้อสี่นะข้อสี่นะศีนเป็นที่รวมแห่งธรรมะอะไรคือศีนเป็นที่รวมแห่งสังวรศีนเป็นที่รวมแห่งอวีติกมะแต่คำว่าสังวร น, นั้นก็คือความสํารวมคือปิดกั้นห้ามระวังทีนี้องค์ธรรมได้แก่อะไรล่ะสังวรศีนน่ะสังวรศีนองค์ธรรมมีเท่าไหร่ เมื่อกี้บอกว่าสังวรจากปาณาทิบาสสังวรมีเท่าไหร่ห้านะคือศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรนะถ้าใช้คําว่าสังวรก็คือสังวรห้าแต่ตรงนี้หมายเอาสังวรที่ทําให้ปิดกั้นทวารที่เข้าไปแห่งปานาทิบาตเนี่ยนะสังวรเหล่าใดอย่างใดอย่างหนึ่งในสังวรห้าน่ะที่ไปห้ามไม่ให้ ทำปานาติบาตาลักษณะนี้แหละเป็นสังวรสังวรก็เป็นศีลนะสังวรอันนี้ก็เป็นศีลละนะเหมือนกันคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงถ้าวันหนึ่งเนี่ยคิดครั้งเดียวเนี่ยรองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้หรื อ, อยังนี่นะเอาที่ว่าธรรมะที่ว่าเนี่ยคำว่าศีลเนี่ยบอกว่ารองรับชานพิญญามรรคผลเป็นต้นเนี่ยนะวันนี้คิดเออเว้นจากปานาติบาตเห็นหมดทิง้งคิดทิง้งรองรับได้หรื อ, อยัง ผมที่สร้างบ้านได้หรื อ, อยังทรันั้นน่ะแหเฮ้วเลยนะจะถมนะิดเดียวอ่ะ น, นะจะสร้างบ้านเลยศีละนะนะอย่าลืมว่าศีลคือศีละนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่ละเมิดไม่ผิดไม่อะไรก็ใช้ได้แล้วแล้วก็อวีติกรมะการไม่ล่วงละเมิดอวีติกรมะนั้นคือความไม่ล่วงละเมิด ต่ปาณาติบาตเห็นไหมก็หมายเอากุศลจิตตุ บ, บาต ท, ทั้งหมดนั่นแหละเห็นไหหรือสรุปรวมๆก็ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อสีที่ไม่ล่วงละเมิดออกไปนั่นแหละเป็นศีลเพราะฉะนั้นศีลที่กล่าวนี้ต้องเป็นกุศลอย่างเดียวเห็นไกุศลศีลอย่างเดียวศีลเห็นปานี้คือศีลทั้ง5้าข้อนี้นะหข้อคือ บาหาณศีลเวรมณีศีลเจตนาศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลทั้งห้าอย่างเนี่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตนะจิตตัสะอวิปปิสารายะสังวัตตันติเนี่นะต้องเป็นกุศลศีนที่เป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิตนะใครที่มีธรรมะหา้าเหล่านี้มากเท่าไหร่เขาก็จะเป็นผู้ที่ไม่เดือดร้อนแห่งจิตเลยเนี่ยนะ พ้นคำว่าศซนเนี่ยนะอีกศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าสังวร อ, อย่างข้อความในคัมภีวินัยปิดดกคมภีปริวานที่กล่าวว่ า, าวินัยเพื่อประโยชน์แก่สังวรเ น, นี่ยนะสังวรตัวนั้นเนี่ยหมายเอคุศลใช่ไหมวินัยนี้เพื่อประโยชน์แก่สังวรสังวรเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนจิตเนี่ยนะความไม่เดือดร้อนใจหรืออาวิปฏิสารนั่นเองเนี่ยนะหรือที่พระองค์ตรัส พระอนนุ์ว่าดูก่อนอ น, น, น, น, นุ์กุศลศีลกุศลศีลเนี่ยนะมีเพื่อประโยชน์แก่อวิปปติสารเนี่ยนะกุศลศีลเนี่ยมีเพื่อประโยชน์แก่อวิปปติสารอันนี้ข้อความในสู่แรกเลยในทัศกานิบาศกับในเอกาทัศกานิบาต น, นะเพราะฉะนั้นศีลทั้งหมดเนี่ยนะกุศลศีลคือปหานะเวรมณีเจตนาสังวรอวิติกรรมะเนี่ยนะ ถ้าหาว่าใครมีกุศลเหล่านี้ดีก็เป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนจิตคือจะไม่วิปปติสารเลยเ ย, นะย่อมเป็นไปเพื่อความปราโมทเห็ อ, นะอวิปปติสารหรือความไม่เดือดร้อนจิตเนีย่ยนะย่อมเป็นไปเพื่อปราโมทคำว่าปราโมทก็คือปีติอย่าง on. อ่อนเะปีติอ่อนๆเรียกว่าปราโมทถ้าปีติมีกำลังมากก็ เรียกว่าปีติเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีปราโมทเหล่านี้ได้ก็ต้องมาจากคนที่ไม่เดือดร้อนจิตนี่นะผู้ที่จิตไม่เดือดร้อนไม่เล่าร้อนเขาจึงจะได้รับปราโมทเพราะว่าปราโมทนี้คือปีติอ่อนๆปีติอ่อนๆเกิดกระร่วมจิตชนิดไหนจิตที่มีปราโมทคือจิตแบบไหนองค์ธรมธรมองค์ธรรมได้แก่จิตกี่ดวงอ่ะเมื่อกี้นี้บอกแล้วใช่ไหมว่ากุศล เมื่อกี้บอกว่ากุศล น, นะถ้ากุศลเนี่ยทั้งหมดมีเท่าไหร่กุศลเอารวมรวมก่อนดูรู้จริงป่ะสบทวนว น, นิดนกุศลทั้งหมดมี21นะมัคคกุศลตัดหักออกไปชาณากุศลหักออกไปเพราะฉะนั้นเหลือมหากุศลจิต8ทีนี้มาหากุศลจิตที่มีปราโมทกี่ดวงสี่ดวงเนี่ยนะเพราะว่าอุเบกขาไม่ไม่ปรามโมทนะ ปราโมทนี้เป็นชื่อของปีติเป็นชื่อของปีติอย่างอ่อนเพราะฉะนั้นก็คือโสมนัสตาจิตสี่ดวงนั่นเองโสมนัสที่เป็นกุศลสี่ดวงนะแต่ก็เกิดจากความไม่เดือดร้อนจิตความไม่เดือดร้อนจิตนี้เป็นชื่อของมหากุศลทั้ง8เลยนั่นแหละจิตที่ไม่เดือดร้อนเป็นมหากุศลทั้ง8มหากุศลเหล่านี้นี่แหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นอุปนิสัยปัจจัยประเภทปะกตูปนิสยปัจจัยให้แก่ ปราโม a o t เกิดขึ้นเนี่ยคำว่าปรา g ม a o t นี้บางทีก็เกิดว่าโยนิสมานสิการ pragmaot ชังชายติก็บอกว่าเมื่อมานสัสการโดยแยบคายความปรา g m a o t ย่อมเกิดขึ้นอันนี้ก็มีนะผู้ที่มีโยนิสมานสิการจะทําให้เกิดปรา g m a o t ได้เพราโยนิสมานสิการก็เป็นไปกับเรื่องของกุศลศีลอีกนั่นแหละนะใครที่ฉลาดโยนิสมมากๆคนนั้นจะมีปรา g m a o t บ่อย ใครไม่โยนิโสก็ปราโมทก็ไม่ค่อยเกิดโยนิโสเป็นยังไงนะนะก็นี่แหละคิดตามปหานะเวรมณีเจตนาสังวรเนี่ยคิดแบบนี้แหละเรียกว่ามีโยนิโสแล้วล่ะถ้าไม่คิดอย่างงี้ติไม่มีโยนิโสอนะย่อมเป็นไปเพื่อปีติก็คือปีติที่มีกําลังว่า ง, งั้นเถอะเป็นลักษณะคนลุกเลยนะเคยหรือเปล่าพิจารณาธรรมะจนคนลุกเลยนะ สบายใจมากเลยปราบปลื้มใจดีใจเนี่ยนะปีติอ่อนกําลังเลยนะใครมีความสุขเลยใครเคยก็โมทนาด้วยนะที่จริงการเจริญพุทธคุณนี่ก็เป็นอาหารของปีติสามโพชงนะปีติสามโพชงที่ยังไม่เกิดอาศัยการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติพวกนี้ก็เป็นอาหารของปีติปีตินะ ต่อไปนะปีตินี้ศีลเห็นปานี้ย่อมเป็นไปเพื่อปัสสัต thi คำว่าปัสสัต t h นั้นก็คือกายของผู้มีใจเป็นปีติย่อมสงบระ ง, งับคําว่ากายในทีนี้ก็คือเป็นเจตสิกนั่นเองนะกายคือเจตสิกที่สงบระ ง, งับความสงบระ ง, งับอันนี้เกิดจากปีติเห็นไะหปัสสัต t h นี้คือความสงบระ ง, งับ ปสัสสติศีลเห็นป่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อโสมนัสโสมนัสก็คือความสุขนั่นเองเป็นความสุขทางใจก็บอกว่าบุคคลผู้มีกายระงับแล้วย่อมสวยสุขว่างั้นทั้งหมดเหล่านี้คืออ น, นิสง์ของศีลที่เห็นชัดเจนเลยนะคือความไม่เดือดร้อนแห่งจิตความปราโมทปีติปสัสธิโสมนัสนี้เป็นคุณของศีลอย่างตรงๆงเลยถ้ารักษาศีนได้จะได้อ น, นิสง์เฉพาะศีลอย่างเดียวเลยนะ โด ด, โดดตรงๆเลยก็ห้าประการนี้อันนี้เป็นเรื่องของศีละสิกขาโดยตรงเลย